อธรรมะกรรมทวาทศกะว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตไม่ชอบธรรมส2บสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระงับไม่ดีคือ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 ไม่ลงตามปติญญา 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสมสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีหมวดที่7ภิกษุทั้งหลาย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 เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ลงเพราะอาบัติที่เป็นอเทศนาคามินี 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม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 อธรรมกรรมทวาทศกะในอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบ